2อ1และแล้วคืนสุดท้ายภายในราชฐานมรกฎนครก็มาถึงหัวค่ำนั้นจักราธิราชเจ้าทรงจัดงานอุทยานสโมสรเลี้ยงคณะอาคันตุกะทั้งสองฝ่ายเป็นการมาโหรานอีกวาระหนึ่งร่วมด้วยเหล่ามุขอมาตรราชมนรีและขุนทหารชั้นผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกับคนเหล่านี้ทั้งหมดดีมาแล้ว ท่านพอสมควรแก่เวลาไม่ถึงกระดึกเกินไปนักพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายได้กลับไปพักผ่อนหลับนอนเพื่อเอากําลังไว้ให้เต็มที่รวมทั้งตรวจจัดเตรียมของให้พรักพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายและทรงนัดแนะให้ทั้งหมดไปพร้อมกันที่หน้าสนามชัยในอรุณรุ่งค่ารวมทั้งพระราชนีและกองทหารส่วนหนึ่งจะไปรอคอยพวกท่านทุกคนอยู่ที่นั่นก่อนแล้ว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 ขอให้ทุกคนหลับให้สบายในคืนนี้ทุกคนทั้งสองฝ่ายรวมแล้ว36ชีวิตถูกลาและเข้าไปร่ําลากับบรรดาเหล่าราชมนตรีเหล่านั้นพระเชื่อว่าคืนนี้คงจะเป็นคืนสุดท้ายอันจะไม่ได้พบพวกนั้นอีกแล้วบรรดาราชมนตรีที่ร่วมอยู่ในงานอยู่ด้วยภายในคืนนี้ต่างก็อวยชัยให้พรขอให้ทุกคนเดินทางกลับไปถึงโลกภายนอกโดยสวัสดิภาพ อรชุนและบรรดานายทหารใหญ่ที่เคยได้รับทั้งทางด้านเชิฐถาและทางทางด้านสแตนลีให้คำมั่นสัญญาว่าจะตามเสด็จไปส่งคณะทั้งหมดด้วยอย่างพร้อมเพรียงและเจ้าสางปาก็บอกกระบุนคำภัยหลังที่ถูกถามว่าไอ้สางปาเอ็งจะไปส่งพวกข้าด้วยหรือเปล่าวะแน่นอนข้าจะต้องตามเสด็จไปส่งพวกลุงกับเจ้านายทั้งสองด้วยเหมือนเมื่อคราวก่อนนั่นแหละ กแ็แปลว่าเองจะอยู่ในมรกรนครนี่ไปช่วชีวิตจะไหมจันเกิดเซย์เข้ามากอดคอสั่งปาไวา้แล้วถามขึ้นเหมือนจะหยั่งเสียงสั่งปายิ้มเศร้าเฮ้ยชีวิตของข้ามันไม่มีความหมายอะไรกับใครนักหรอกแม้ข้าอยากจะกลับไปเห็นนายแ ม, มาเรียอยากจะไปเห็นนายตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่ของข้าแต่ข้าก็ได้สาบานแล้ว ว่าจะอยู่ในมรกรนครเป็นข้าฉลองพระบาทขององค์จักรราษไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าก็ไม่อาจเสียคำพูดได้เออเองเป็นคนดีมากไอ้สางป้าบุญคำบอกน้ำเสียงจริงจังขึ้นจงอยู่ที่นี่สมกับพระเมตตาที่คุณของกษัตริย์จักรราษที่สงประทานให้เองอยู่ต่อไปเทอะถูกต้องแล้วละ่ะ ว่าแต่เองได้พูดยาเรื่องนี้ให้แจมแจ้งไปแล้วหรือยังกระนายทหารชัยยันเจ้านายของเองสั่งป่าพยักหน้าข้าได้บอกความในใจของข้าทั้งหมดแกนายทหารชัยยันไปแล้วท่านก็หินใจข้าและข้าก็มีของฝากไปถึงเจ้านายใหม่ตัวน้อยๆของข้าด้วยข้ามอบให้นายทหารไปละเป็นกำไลข้อเท้าฝังเพชรดีมากดีมาก เองมีน้ำใจระลึกถึงนายน้อยๆที่เกิดใหม่ของเองเออพรุ่งนี้พบกันและในระหว่างเดินทางหรือพักแรมอ่ะเองก็จงมาอยู่กับพวกข้าตลอดนะจนกว่าเราจะแยกจากกันสร้างปาพยักหน้ารับจับมือเพื่อนพรานทุกคนรวมทั้งขยินที่เข้ามายืนมุงอยู่ด้วยแล้วทั้งหมดก็พากันแยกย้ายกลับที่พักของตน โดยระพินมอบหมายให้บุญคำเป็นหัวหน้าพรานทำหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดให้แก่ฝ่ายของดร์สตนลีแทนตัวเขาภายในคืนนี้และให้ทั้งสี่คนไปรวมอยู่กับฝ่ายเมริกันเหมือนเช่นเคยทุกครั้งสำหรับตัวเขาเองขอแยกมาอยู่กับฝ่ายของเชษฐาแม้ดารินจะกล่าวอนุระอนุญาตเช่นไรก็ตามเพราะเห็นว่าเป็นคืนสุดท้ายในราชฐานมรกรนครแล้ว เรื่องอะไรที่ผมจะห่างพัญญายอดรักของผมและเจ้านายเก่าทุกคนอ่ะทั้งด้านโน้นไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงแล้วนี่พรุ่งนี้ก็ต้องพบกันอยู่วันยังค่ำและในระหว่างเดินทางร่วมกันอีกซึ่งพวกเขาก็ยังอยู่ในความดูแลของผมจนวินาทีสุดท้ายนั่นแหละล่ลนจูบแก้มเขาเบาๆกระซิบว่าแม่สามีของฉันนี่น่ารักขึ้นทุกวันผิดกตกรนี่มากๆก ผมทำได้ตามคำพูดไหมล่ะครับค่ะทำได้ตามคำพูดทุกอย่างเลยรู้ไม่ใช่เหรอว่าฉันไม่อยากให้คุณห่างตามแม้แต่วินาทีเดียวไม่ใช่ไม่ไว้วางใจหรอกแต่อยากอยู่ใกล้นะ่ะครับผมก็เข้าใจดีครับในข้อนั้นแล้วคืนนี้คุณจะออกมานอนข้างนอกรวมกับคนอื่นๆหรือจะอยู่ในห้องกับฉัน คือที่เราต้องนอนแบบรวมกันทั้งหมดชนิดเตรียมพร้อมครับแล้วก็จะอยู่ในชุดที่พร้อมจะออกเดินทางได้ทันทีด้วยคุณหญิงก็ควรจะออกมานอนรวมกับพวกเราด้วยนะครับผมจะปลุกทุกคนก่อนสว่างประมาณครึ่งชั่วโมงครับดารินส่งมือให้เขาจับยิ้มให้อย่างอ่อนหวานเป็นสุขบอกเบาวๆว่าตกลงจ้ะในพรานของฉัน ณตำแหน่งสนามชัยหน้าพระบรมมหาราชวังองค์จักรราษฎรและราชินีเมญานีในฉลองพระองค์ชุดออกศึกประทับรออยู่แล้วบนหลังมาพร้อมด้วยกองทหารมาประมาณหนึ่งกองพันเมื่อทั้งฝ่ายเชษฐาและฝ่ายของสเตนลีเดินเหาะมาเข้ามาเป็นขบวนรวมทั้งสิ้น36คนครบถ้วนของทั้งสองฝ่าย ที่เป็นอาคันตุกะเหยียบย่างเข้ามาในมรกรนครมีม้าต่างบรรทุกสัมภาระมาด้วยทุกคนล้วนอยู่บนหลังมาทั้งสิ้นจากการจัดสรรระเรียมไว้ให้พรักพร้อมแล้วตั้งแต่เย็นวนันทั้งหมดแต่งกายในชุดเดิมของตนและมีอาวุธพร้อมมือเหมือนเดิมเมื่อต่างเคลื่อนเข้ามาถึงและขยายแถวออกเป็นหน้ากระดาน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 กษัตริย์หนุ่มโฉมงามผู้ปราดเปรื่องส่งรับสั่งถามขึ้นรวมๆด้วยพระสุรเสียงอันดังกังวานก้องพวกข้าพระองค์ทุกคนพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะเชษฐาทำหน้าที่กราบทูลขึ้นแทนให้แก่คณะทั้งสองฝ่ายจักรราษกวาดพระเนตรเหมือนจะตรวจนับจำนวนคนของทั้งสองฝ่ายและเมื่อทรงเห็นว่าครบทั้งสาสหกคน ไม่มีใครขาดไปเลยก็ชูพระหัตถ์ขึ้นสูงเมื่อ น, นั้นเสียงแป้สัญญาณให้เคลื่อนพลก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงฝีเท้ามาที่ขยับพร้อมกันสะเทือนลั่นสนามชัยอรชุนยุทธสถิตพรมเมฆวามิตรสุกรีพระหุ่และขุนศึกที่ทุกคนคุ้นหน้า อยู่ในขบวนแถวหน้าของกองทัพนั้นพร้อมหมดทุกคนไม่มีใครขาดไปเช่นกันและเบื้องหลังขององค์จักรราศกับพระราชินีมีสังปาในชุดทหารยืนมาอยู่เบื้องหลังด้วยขบวนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนเป็นแถวเรียงสิออกจากสนามชัยในทันทีนั้นโดยมีอรชุนนำไปเบื้องหน้าและทุกคนของฝ่ายอาคันตุ ก, กะ ผู้มาเยือนซึ่งพร้อมที่จะเดินทางกลับอยู่ในขณะ น, นี้ก็ชักมาเข้ามารวมอยู่ในส่วนกลางของกองทัพนั้นทันทีจักรรารงทาสัญญาณด้วยพระหัตสั่งการให้คณะของเชษฐาและสเตลรีชักมาเข้ามาใกล้ชิดเมื่อผ่านเข้าเขตเมืองประชาชนทั้งสองฝาาฝั่งถนนซึ่งคงจะทราบข่าวอยู่แล้ว ตางชุมนุมอยู่คับข้างเนืองแน่นเสียงโหร้องอวยชัยให้พรดังกระหึมไปหมดพร้อมทั้งดอกไม้และแพรพันธ์ที่ปลิวสวยัยนอกจากจะเปลงเสียงถวายพระพรชัยจากราธิราชและราชินีเมยานีแล้วคลื่นของประชาชนทั้งสองฝากฝั่งถนนริมทางผ่านก็ตะโกนเรียกนามระพินและดารินกระหึมกล้อง จนทั้งสองมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นไปหมดต่างโบกมือให้แก่ประชาชนชาวมรกรนครนอันเป็นมิตรที่แสนดีเหล่านั้นพอพ้นเขตประตูเมืองที่จัดเป็นซุ้มไว้อย่างสงหนาและมีทาหารขึ้นประจำเชิงเทินทำความเคารพอยู่มาทั้งหมดก็เริ่มทวีความเร็วขึ้นเป็นลำดับควบตัดตรงบ่ายหน้าไปยังตาแหน่งอันบรรจบกับถนนใหญ่แห่งสิวเทพ อันเป็นทางนำออกไปสู่ชนบทนิคมคามในทันทีพิงประตูเมืองมรกฎนครไว้เมืองหลังเมื่อผ่านเส้นทางแยกที่จะไปยังปร า, ษาษษษสาทรีมหาอุมาเทวีหรือสุสานของบุพกษัตัิย์แห่งมรกรนครอันเป็นตำแหน่งที่เครื่องบี2ออับปางอยู่อเมริกันทุกคนรวมทั้งระพินและเชิดบุตร ก็หันไปทำวันทยาหัดอำลาแก่ซ้าเครื่องและนักบินผู้สูญเสียชีวิตเหล่านั้นส่วนฝ่ายของเชษฐาได้แต่หันไปดูเฉยๆแล้วแอบนึกพอใจอยู่ภายในเงียบๆในกรณีที่ฝ่ายมริกันไม่สามารถจะดำเนินการใดๆกับซ้าเครื่องตกและระเบิด10เมกตันลูกนั้นได้เลยและไม่ยอมแม้แต่ที่จะเก็บหลักฐานใดๆกลับคืนไปด้วย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 เสียงตายที่อุตสาบุกบั่นกันมาขนชุดนี้คงจะจดจําทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้ประสบพบเห็นมาไปตลอดชั่วชีวิตและคงไม่มีวันที่จะปริปากบอกเล่าให้ใครฟังได้เหมือนเหตุการณ์ที่ตนได้ฝันไปฉะนั้นณนะตำแหน่งผ่านทางแยกนั้นจักรราชพินพระพักมาทรงยิ้มยิ้มให้แกเชษฐา ผู้ควบมาอยู่เคียงข้างแต่ไม่ได้ทรงรับสั่งอย่างใดทั้งสิน้นอดีตท่านทูตทหารบกก็ไม่ได้กราบทูลเช่นไรเช่นกันเพียงแต่ยิ้มตอบมาให้เหมือนจะเข้าใจความในกันอยู่ในทีสเตลีคีตและอิสเบลซึ่งทําความเคารพต่อซากเครื่องตกได้หันมองจนสุดเอี้ยวคอแล่ยกเว้นคริสตินาคนเดียวที่ภายหลังทําความเคารพแล้ว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 คือไปนั่งม้าตัวเดียวกับเมยานีโดยเกาะหลังไปเพื่อจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนางพญาแห่งมรกฎนครผู้ที่หลอนรักเหมือนน้องสาวให้มากที่สุดก่อนจะจากปล่อยม้าหลังเปล่าของหลอนให้วิ่งตามมาใกล้ๆทั้งสองจึงมีโอกาสที่จะตะโกนผู้จาอะไรได้บ้างมากกว่าคนอื่นๆใกล้คํจาจักรรารงมีบัญชาให้หยุดทัพอยู่ในระหว่างพื้นภูมิประเทศ อันเป็นป่าเขาปราศจากหมู่บ้านผู้คนบนถนนแห่งนั้นเหล่าทหารแยกออกกลางกระโจมพักก่อไฟขึ้นคณะสแตนลีย์และเชิฐาเข้ามารวมกลุ่มกันเป็นคณะเดียวทั้ง36คนใจกลางวงล้อมของกองทหารทั้งสองพระองค์เสด็จมาร่วมสเสวยอาหารข้าแบบสนามกับอาคันตุ ก, กะทุกคนด้วยทั้งหมดพากันนั่งรายล้อมอยู่รอบกองไฟ ที่สุ่มไว้ทั่วไปหมดอาหารมื้อนี้แหละจะเป็นมื้อสุดท้ายอย่างแท้จริงระหว่างค่าและพวกท่านทั้งหลายเราเดินทางกันได้เร็วเกินที่คาดไวเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงแน่นอนก็จะถึงตำแหน่งที่ต้องลาจากกันแล้วและเมื่อถึงจุดนั้นแล้วพวกท่านคงจะไม่ยอมเสียเวลาอยู่บนถนนพระศิวะอีก นอกจากเดินทางต่อไปในทันทีจักราราตรัดขึ้นด้วยน้ำพระสุรเสียงลึกกังวานได้ยินไปทั่วทุกคนที่นั่งชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นซึ่งจากกระแสรับสั่งเช่นนั้นเองทำให้ทุกคนพากันนิ่งอึง้งเงียบงันกันไปหมดทั้งฝ่ายเชิดาและฝ่ายสแตลลีในที่สุดเป็นครูใหญ่สแตลลีจึงฝืนยิม้ม และกราบทูลเสียงต่ำๆขึ้นว่าพวกเราทุกคนคงจะต้องถวายบังคมลาทั้งสองพระองค์ด้วยความอาลัยยิ่งและจะไม่มีวันลืมทุกสิ่งทุกอย่างในมรกรกนครไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เราคงไม่มีโอกาสได้หวนกลับมาเฝ้าเบื้องพระบาทอีกแล้วตลอดไปครับนอกจากในความคิดคำนึงของพวกเราเท่านั้น คิดเอ่ยแทรกเสียงแผวเบามาอีกคนหนึ่งอาการของพันเอกแห่งย s เอสอา่ซึมลงยังเห็นได้ชัดแม้จะเป็นชายอกสามซอกซึ่งไม่เคยที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวลึกซึ้งอะไรมาก่อนการมีชีวิตอยู่ในราชฐานมรกรกนครทำให้เขามีสภาพเหมือนกับอยู่ในสวงสวรรค์ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสาวสันกำนันในขอให้การปรนิบัต อย่างชนิดที่ไม่เคยพบความสุขเช่นนี้จากที่ไหนมาก่อนและไม่คิดฝันว่าชีวิตนี้จะได้พบไม่เพียงแต่คิดเท่านั้นแม้เชิดบุตรหรือแม้กระทั่งพวกพรานพื้นเมืองหรือลูกหาบทุกคนก็มีความรู้สึกเช่นกันหลายๆคนมีความคิดที่ไม่อยากจะจากมรกนครไปก่อนอยากจะใช้ชีวิตอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้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 และหล่อนก็หลอกล้อเริงเล่นด้วยมาตลอดด้วยอํานาจของสเสน่ดึงดูดในตัวแต่สําหรับบุรุษผู้นี้หล่อนบังเกิดความระย่อยั่นขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกสําหรับเจ้าแม่ยั่วเมืองอย่างเบลจริงๆมันเป็นความรู้สึกหวาดกลัวอันเกิดขึ้นอย่างลึกลับแต่ทั้งๆ ท, ที่กลัวหล่อนก็ยังอยากที่จะเห็น อยากที่จะอยู่ใกล้ตลอดเวลาสำหรับหมอมชัน้นหล่อนเอ่ยขึ้นไม่มีอาการระรีระริผิดไปกว่าทุกครั้งคงจะได้หวนกลับมาเฝ้าพระองค์อีกในความฝันไปคะ่ะจั ก, กรราชแย้มสว น, นน้อยก้มพระเสียร ล, ลงนิดหนึ่งใช่ถ้าดวงจิตของเธอกล้าแข็งพอ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 ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติด้วยวิชาแพทย์ของเธอนะอิสเบรและจงมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเยี่ยงสตรีทั่วๆวไปอย่าได้ใช้ชีวิตที่เสี่ยงภัยต่อไปอีกเลยเพคะหม่อมฉันจะจดจำในสิ่งที่พระองค์รับสั่งตักเตือนนี้ไว้เพคะได้รับสั่งทักทายทั่วไปหมดทุกคนขณะที่ฝ่ายของเชิฐถา เฝ้าจับตาสังเกตยอยู่เงียบๆโดยไม่ขัดจังหวะสอดแทรกใดๆขึ้นทั้งสิ้นน้องชายทรงหันมาตรัสกระเชิดบุตรผู้นั่งมองดูคริสติน่ากำลังนับเม็ดประคำที่หล่อนห้อยคออยู่ขณะ น, นี้คริสติน่าผู้ซึ่งมีอาการสงบเฉยเหมือนจะไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวใดๆทั้งสิ้น หลอนกลายเป็นคนพูดน้อยที่สุดในระยะหลังน้องชายเธอได้ตื่นขึ้นมาบ้างแล้วหรื อ, อยังเนี่ยประโยคติดต่อมานั้นเป็นรับสั่งถามอย่างแฝงลึกไปด้วยความในเฉิดบุตสดุ้งตื่นจากผวังแล้วหัวเราะออกมาอย่างแจ่มใสเป็นครั้งแรกกราบทูลมาว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ตื่นจากความฝันอันไร้แก่นสารนั้นแล้ว ตื่นย่งเด็ดขาดและจะไม่มีวันหลับเพอ้ออีกแล้วพระเจ้าค่ะดีมากน้องชายชีวิตของเธอยังต้องก้าวหน้าไปอีกไกลอนาคตสุขสัยเรืองรองนะ่ะรอคอยอยู่แล้วอย่ารุ่นคิดอะไรให้เป็นนิวร อ, อันร้อนรุ่มอีกเลยนะรับสั่งเตือนสติมาดังนั้นแล้วก็ส่งทอดพระเนตรจับนิ่งไปยังคริสตินาผู้บัตดนี้ นิ้วมือทำหน้าที่นับประคำช้าๆตาก็มองจับอยู่ยังเปลวไฟวอบแวบในกองเบื้องหน้าแสงไฟส่องจับใบหน้าของหลอนขาวเรืองรองดูประหลาดไปและทรงหันไปทางพรานใหญ่ระพินผู้นั่งพินิษ์พฤติการสินทนาโต้ตอบ ต, ต่างๆอยู่อย่างพิเคราะห์เงียบๆจักราชรรับสั่งด้วยเสียงเบาๆ ทุกคนระหนักดีว่าผู้กองเป็นคนดีมีวิชาเล่นหนักไปในทางเดริชานวิชาซะด้วยที่สงเลี้ยวรถมาหาข้าพระองค์ทำไมอเนี่ยพรานกะเรียงที่ชื่อแงาซายเคยเห็นผู้กองสามารถจะหยิบ่านแดงๆจากกองไฟขึ้นมาจุดบุหรี่ได้ยามที่ร้อนวิชานหนักไงถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังหยิบได้แล้วยังไง ก็ลองหยิบฐานในกองไฟนี้ขึ้นมาสักก้อนหนึ่งสิระพินไพรวันกลั้นใจไร้เวกบริกรรมแล้วหยิบฐานอันลุกแดงโชดก้อนหนึ่งเคืองขนาดหัวแม่เท้าขึ้นมาโดยการขีบระหว่างนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของเขาชูขึ้นเลิกคิวอ่ะเรื่งไงต่อไปจะ ย, ยื่นส่งต่อให้แกพระหัตถ์ของพระองค์หรือไง เขาถามมาเสียง เ, เรียบรียบไม่จำเป็นหรอกเดี๋ยวท่านจะกล่าวหาว่าจักรราชได้ดับพิษอันร้อนแรงของฐานก้อนนั้นลงซะก่อนเอางี้ยินไปที่ตักของคริสติน่าเดี๋ยวนี้เททชษฐาชยันอนุชาและทุกคนที่ได้ยินคำโต้อตอบอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างตกใจโดยเฉพาะดารินร้องมาว่า ยานะระพินแต่มันช้าไปซะแล้ว่านแดงโฉดในมือของระพินก้อนนั้นถูกโยนข้ามกองไฟลงตกบนหน้าตักของคริสตินา่าผู้กำลังนั่งขาดสมาธิอยู่อย่างแม่นยำที่สุดท่ามกลางสายตาอันเบิกโพรงตื่นตะลึงของทุกคนที่จ้องจับมา ต่างหินกางเกงเดินป่าตรงบริเวณที่ทานไฟลนลงไปตกส่งควันกรุนขึ้นในทันทีมันไหม้เนื้อผ้ากางเกงยีนที่หลอนสวมอยู่ในขณะนั้นอย่างรวดเร็วเพราะความร้อนแรงเกิดเป็นจุดรอยไหม้แดงและควันขมงขึ้นทุกขณะแต่คริสติน่ายังคงนั่งเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนใดๆแม้แต่นิดหนึ่งมือของหลอนยังขยับนับรูปประคำอยู่เช่นนั้น คริสยกรราชรับสั่งเรียกด้วยน้ำพระเสียงปกติเพะคะหลวนตอบมาเบาๆอันแสดงว่ายังได้สติรู้ตัวอยู่หยิบทานก้อนนั้นโยนกลับเข้าไปในกองไฟตามเดิมสินั่นเป็นประกาศสิทธิ์สัง่งในทุกสายตาที่จ้องมาอย่างตกใจชนิดจู่โจมกระทันหัน ไม่อาจทำนายอะไรได้มาก่อนทุกคนเห็นคริสติน่าละมือจากลูกกระคำค่อยๆหยิบทานก้อนนั้นเหมือนหยิบก้อนกรวดธรรมดาโยนกลับคืนลงไปในกองไฟตามเดิมแล้วใช้มือข้างนั้นลูบที่หน้าตักซึ่งบัดนี้ไฟไหม้ผ้าเป็นดวงกลมขาดทะลุลงไปเห็นเนื้อสีชมพูบริเวณนั้นของหลอดเป็นเนื้อหนังมังสาที่ปกติธรรมดาที่สุด ไม่ได้มีอาการไหมพองอย่างใดทั้งสิมและเจ้าตัวก็ไม่ได้แสดงอาการว่าแสบร้อนหรือถูกข่านเผาไหม้เนื้อใดๆดเลยแม้แต่น้อยและเมื่อขยับตัวจากอาการที่นั่งอยู่เดิมแล้วนั้นคริสติน่าก็เลยเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าขัดสมารถมาเป็นพับเพียบพนมมือทั้งสองขึ้นจะดคางหันไปทางจักรราชเอ่ยขึ้นเบาๆว่า ขอจงทรงพระเจริญเพคะและหลอนก็หันไปทางระพินมือยังพนมอยู่เช่นนั้นเอยต่อมาว่าและขอคาราวะไปยังครูคนแรกของฉันด้วยค่ะคริสนี่เธอกลายเป็นมนุษย์ประหลาดมากสจั์ไปแล้วหรอเนี่ยผ่านไม้กางเกงเธอขาดควันกโมงเนื้อหนังจะทนอยู่ได้ยังไงเนี่ยสเตลีร้องลั่นขึ้น ทุกคนกำลังอยู่ในภาวะตกใจทั้งสิ้นด้วยค้าวหน้าอันราบเรียบเป็นปกติที่สุดเหมือนเหมือนกับองค์พระอาจารย์ที่ประทับทอดพระเนตรนิ่งจับข้ามกองไฟมาคริสติน่าเอ่ยขึ้นกับทุกคนเบาๆว่าใช่ถ่านติดไฟที่ครูรพินโยนมาที่ตักฉันตามรับสั่งบัญชานะเป็นสิ่งร้อนแรงเป็นไฟ แม้แต่ผ้าของกางเกงก็ยังขาดเป็นรูมองเห็นอยู่เนี่ยแต่เมื่อดวงจิตของฉันกําหนดไว้แล้วว่าไม่ร้อนมันก็ไม่มีความร้อนแรงใดๆต่อผิวเนื้อของฉันเลยทุกคนอย่าได้แปลกใจไปเลยนี่คือพลานุภาพของดวงจิตที่แน่วแน่และมั่นคงเบื้องต้นอันเป็นเพียงแค่หนึ่งกระพริกริ้นที่ฉันได้รับการศึกษาร่ำเรียนมาจากองค์สมเด็จพระอาจารย์จั ก, กรราชเท่านั้น คำพูดเรียบๆของหล่อนที่ได้ยินกันไปทั่วนั้นทำให้ทั้งหมดแม้กระทั่งฝ่ายของเชิฐาอ้าปากค้างกันไปหมดนี่นี่คริสนี่เพียงไม่กี่วันที่เธอได้ศึกษาร่ำเรียนกับองค์จักรราชเธอได้สมาธิชานถึงขนาดนี้แล้วเชียวหรือดารินอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นมันเป็นแต่เพียงพื้นฐานขั้นต้นเท่านั้นแหละน้อย แต่ก็เป็นฐานที่ฉันจะไปเพียรบำเพ็ญภาวนาต่อไปเพื่อให้เกิดมรรคผลที่ถูกที่ควรเพิ่มขึ้นครูรพินไม่เคยสอนฉันอย่างนี้มาก่อนแต่จะไปสอนในด้านการเอาตัวรอดเมื่อภัยอันตรายมาถึงแล้วสอนในเชิงต่อต้านมากกว่าที่จะสอนให้ลดละผิดกับที่องค์จักรราชทรงสอนแต่ถึงยังไงครูรพินก็เป็นครูคนแรกที่ฉันจะลืมฉันไม่ได้ ตลอดไปในด้านสั่งสอนวิชาการต่างๆให้แม้ว่าฉันจะกลายเป็นผู้ที่รับใช้พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ตามในอนาคตใกล้ๆนี้คริสคุณได้พระอาจารย์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วละ่ะสำหรับผมะเพียงแต่สอนคุณเพื่อใช้ชีวิตต่อสู้ในทางโลกเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นแหละแต่องค์จั ก, กรราชทรงสอนในทางธรรมซึ่งสูงชั้นกว่าที่ผมสอนมากนะ ระพินบอกมาเสียงต่ำๆน้ำเสียงของเขาเจือไปด้วยความการุนและบังเกิดศรัทธาต่อคริสรวมทั้งชื่นชมเป็นอย่างยิ่งสเตลีคีธอิสเบลและเชิดบุตรมีความตื่นเต้นประหลาดใจต่อสิ่งที่เห็นเสยิ่งกว่าฝ่ายของเชื้ธามากนักต่างหันมามองดูหน้ากันเองไปมาแล้วจ้องไปที่คริสติน่าเป็นตาเดียวนี่ถามจริงเอคริส เธอไม่รู้สึกร้อนมั่งเลยยังไงนายคีทถามขึ้นโดยเร็วไม่ถามเปล่ายังชะโงกหน้าเข้ามาดูที่ตักตรงบริเวณรอยผ้าไหมเป็นวงของคริสติน่าด้วยหลอนให้เขาสำรวจดูโดยดีคีน่ะถึงก็ลงทุนเอานิ้วจิ้มลงไปตามบริเวณที่รอยผ้าขาดไหมนะ่ะกระทบกับผิวของแม่ผมทองซึ่งก็ยิ่งทาหน้าตื่นเรอรรเพราะไม่ปรากฏแม้แต่ผืนแดงพองไหมใดๆทั้งสิ้น ฉันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแม่นักเคมีฟิสิกสาวตอบด้วยน้ำเสียงเรียบสำรวมและสงบแล้วเธอเห็นก่อนหน้าไหมว่ารพินกำลังจะโยนถ่านไฟแดงๆมาที่ตักของเธอสแตลลีถามมาบ้างเสียงสูงรู้สึกมึนงงไปหมดฉันได้ยินรับสั่งบัญชาขององค์จักรราชและฉันก็เห็นแมในขณะที่ครูรพินหยิบถ่านขึ้นมา ขณะที่เขาโยนมาที่ฉันน่ะฉันก็ตั้งสติแต่เพียงว่ามันเป็นแต่เพียงก้อนดินธรรมดาก้อนหนึ่งเท่านั้นมันจะไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังของฉันและมันก็ไม่ระคายจริงๆแม้ว่าผ้าที่หุ้มอยู่จะไหม้ก็าตามนี่คริสถ้าเป็นนักเคมีฟิสิกส์นะเธอหาคำตอบที่แน่นอนได้ไหมว่าทาไมมันถึงไม่ไหม้เนื้อเธอ นึกว่ามันเป็นฐานไฟลุกแดงโรรอยู่อย่างนั้นน่ะอิสเบลเขย่าแขนถามอย่างสงสัยเต็มทีคริสตินาระบายลมหายใจลึกอดีตของฉันน่ะคือนักเคมีฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์แต่เดี๋ยวนี้ฉันเรียนทางจิตศาสตร์และสมาธิกรรมฐานทั้งสองวิชานี่มันแยกออกาจากกันโดยเด็ดขาดแล้ว ฉันก็ไม่รู้จะอธิบายให้ทุกคนที่สงสัยทราบได้ยังไงว่าทําไมทานติดไฟแดงๆยังทําอันตรายใดๆต่อผิวของฉันไม่ได้ถ้าทุกคนที่สงสัยอยากจะหาเหตุผลของความจริงในเรื่องนี้ก็มีอยู่วิธีเดียวคือยอมเสียสละตนเองเข้ามาภาคเพียนศึกษาอย่างฉันแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่รู้สึกประหลาดใจยังไงเลยในการที่เห็นครูรพิน์สามารถทําอะไรได้แปลกๆ ผิดสามัญมนุษย์ทั่วๆไปไม่สงสัยในเรื่องที่ว่าถ้าหากเขาไม่ยินยอมแล้วทําไมจึงเอาเข็มฉีดยาแทงเนื้อเขาไม่เข้าจนถึงกับเข็มหักและก็ไม่เห็นเป็นของแปลกหน้าขบขันนี่ต่อไปหากจะเห็นครูรพินนั่งหลับตานิ่งบริกรรมอะไรอยู่ฉันพอจะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าเขาทําอะไรแต่ไม่สามารถจะอธิบายให้กับบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาร่าเรียนมาก่อน เพราะจะเป็นคำถามและคำตอบที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยมันก็เหมือนๆกับคาถามที่เราหาคำตอบไม่ได้ในทุกสิ่งที่พวกเราได้เผชิญพบเห็นกันมานับพฤติการไม่ท่วนแต่พวกเราเข้าใจได้ดีที่สุดนะคริสแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยไม่เสียแรงเสียเวลาเปล่าเลยที่เธอยอมมอบตัวเป็นสิทธิ์ขององค์จักรราษ ขณะนั้นเชษฐาก็กล่าวขึ้นช้าๆด้วยน้ำเสียงกังวานชัดเจนของเขาก่อนหน้านี้ระหว่างที่เธอไปศึกษาร่ำเรียนกับองค์จักรราชเธอได้มีการพิสูจน์อำนาจของพลังจิตมาก่อนบ้างไหมสเตลลียังไม่ไวายสงสัยซักซ้ายมาอีกอยังรู้สึกสนใจยิ่งขอใหญ่ฉันตอบอะไรอีกเลย ทุกคนที่สงสัยโปรดทราบไว้แต่เพียงว่าพระองค์ไม่ได้ทรงสอนในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทางเดรัชันวิชาใดๆแก่ฉันทั้งสิ้นพระองค์สอนแต่หลักธรรมและให้ตรึกนึกไปถึงสิ่งต่างๆในอดีตที่ฉันได้กระทำมาแล้วเท่านั้นโดยวิเคราะห์ออกมาให้ท่องแท้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศล กลับไปชั้นนั่งสมาธิภาวนาซึ่งในระหว่างนั้นฉันรู้สึกแต่เพียงว่าตัวเบาและมีความปิติสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตมันไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระวนกระวายไม่รู้สึกถึงภาวะในร่างกายใดๆทั้งสิน้นฉันคิดว่าฉันตัดกรรมของฉันได้แล้วขอได้โปรดอย่าซักถามอะไรในเรื่องนี้กับฉันอีกเลยนะ ระหว่างที่ทุกคนพากันเงียบไปอีกนั้นจักรราษและเมยานีก็ประทับยืนขึ้นรับสั่งว่าเอาละพรุ่งนี้เราจะต้องออกเดินทางต่อแต่เช้านะแล้วอีกครั้งหนึง่งขออวยพรให้ทุกคนจงนอนหลับให้เป็นสุขตรัสเพียงแค่นั้นทั้งสองพระองค์ก็เสด็จดำเนินกลับไปยังกระโจมที่พักแรม ทั้งฝ่ายด้าน อ, อาคันตุกะของมรกฎนครทั้งหมดนั้นคณะเจ้านายไม่ว่าฝ่ายอเมริกันหรือฝ่ายเชษฐาได้นอนรวมกันอยู่ในกระโจมใหญ่กระโจมหนึ่งส่วนลูกพรานลูกหากและพรานพื้นเมืองทั้งหมดรวมทั้งสังปาก็ได้แยกไปนอนที่กระโจมอีกกระโจมหนึ่งใกล้ๆกันหน้าที่ก่อไฟเป็นของพวกทหารทั้งหลายก่อนที่จะแยกย้ายกันเอนหลังลงนอน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 ทุกคนจะต้องผละออกจากดินแดนมรกรนครแห่งนี้ไปแล้วและและ้วนาทีอันจำต้องจากของทั้งสองฝ่ายก็มาถึงตามกำหนดเวลาทั้งสามสิบหกชีวิตยืนประจันหน้าเข้าแถวเรียงหน้ากระดานสองแถวอยู่เบื้องพระพักของจั ก, กรราชและเมยานีผู้ขนาดนี้เสด็จลงมาประทับยืนอยู่บนพื้น เหล่าขุนทหารคู่พระไทยทั้งหลายยืนเรียงรายอยู่เบื้องหลังของพระองค์รวมทั้งส่างป่าณนะตำแหน่งนั้นก็คือจุดกึ่งกลางของถนนพระศิวะบริเวณเดียวกับที่คณะเชฐาไตาทางตัดขึ้นมาเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนนั่นเองก่อนหน้านี้เล็กน้อยทุกคนได้เข้าไปร่ำลาเหล่าขุนทัพนายกอง และสังปาเรียบร้อยแล้วคงเหลือเฉพาะการที่จะถวายบังคมลาพระเจ้ากรุงมรกรนครและพระราชินีผู้ประทับเด่นเคียงคู่กันเท่านั้นทั้งสองพระองค์ประทับยืนนิ่งแม้สีพระพักตร์จะกราดไปด้วยรอยแย้มสวนแต่ก็เพื่สลดด้วยความอาลัยสามารถสังเกตเห็นได้ชัดท่ามกลางแสงแดดอันอารามเรือง ดุดเปเลวทองของยามสายจัดใกล้เทียที่มีกระแสลมเย็นพัดพลิว้วระพินไพรวันเดินตรวจดูบุคคลทั้งหมดเหมือนจะตรวจผลนับจำนวนว่าครบถ้วนหรือไม่รวมทั้งสเสบียงที่ได้รับจากฝ่ายมรกรนครเพื่อประทังชีพในระหว่างทางและสับพสัมภาระของทั้งสองฝ่ายเป็นที่ครบถ้วนถูกต้อง แล้วสั่งการให้พวกพลานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนเข้าไปถวายบังคมลากบุญคําจันเกิดเสยขยินและหนานอินรวมหกคนกับพวกลูกหาบของทั้งสองฝ่ายอีกยี่สิบเลื่อนแถวมาข้างหน้าทุกคนสุดตัวลงคุกเขา่าและมีอาการเหมือนจะกราบลงกับพื้น แต่จักรราชทรงโบกประหัตทักท่วงไว้สเสด็จออกมายืนตรงหน้าบุคคลเหล่านั้นขอให้ทุกคนพวกเจ้าจงมีแต่ความสวัสดีในการเดินทางกลับครั้งนี้พวกเจ้าทุกคน<ว>กล้วนเป็นผู้<ว>กล้าหาญและเสียสละนหน้าสารเสริญยิ่ง รับสั่งด้วยพระสุรเสียงอันดังกังวานเช่นนั้นแล้วก็เสด็จดำเนินตบไล่คนเหล่านั้นไปทีละคนเหมือนจะประทานกำลังใจให้เ <ง S 1> มือ่อมาถึงขยินจักรราชหยุดจ้องหน้าโอกาสสุดท้ายแล้วนะสำหรับเจ้าที่จะตัดสินใจเจ้าจะอยู่กั บ, กบข้าในมมรกฎนครนี<ม>่ไหมขยิ<ม>น<ม> เจ้าอาดีตนักเลงโตหล่มช้างยิ้มจนเห็นฟันสองแถวแล้วสั่นศีสักไปมาข้าพระองค์เป็นทาตรับใช้มากับพวกเจ้านายก็ต้องกลับไปกับพวกเจ้านายจะหนีเพื่อสบายเอาตัวรอดคนเดียวย่อมไม่ได้พระเจ้าค่ะเจ้าไม่เพียงแต่มีร่างกายใหญ่โตอย่างเดียวเท่านั้นนะขยิมแม้น้าใจก็ยิ่งใหญ่ด้วย ข้าถือเสมือนเจ้าคือมิตรแท้คนหนึ่งขอให้เจริญเจริญนะขยินกลับเสยและเกิดจักรราศงทรงพระหัตไปให้จับและบีบประชับแน่ข้าจะไม่ลืมวันคืนสำคัญที่พวกเจ้าได้มาร่วมศึกกู้บัลลังก์กับข้าเลยเกิดเสยสหายรักของข้า ทั้งสองกม้มศีรษะลงคำนับถ้าไม่ติดขัดที่จะต้องตามเจ้านายไปข้าพระองค์ทั้งสองก็อยากจะอยู่ฉลองพระบาทที่นี่เหมือนกันพระเจ้าค่ะทั้งคู่กล่าวแผ่วเบาแต่หนักแน่นสำหรับบุญคำซึ่งยืนระวังตัวตรงแนวอยู่จักรรารงเอาฝ่าประหัตเข้าไปตบที่พุงอันคอดกิวรัดด้วยผ้าขาวมาของแก แล้ววางพระหัตถ์บนไหล่ต่อไปนี้เจ้านายคงจะชุบเลี้ยงลุงคําไม่มีความสุขเสียีนะคงไม่ต้องให้ลําบากวิ่งไล่หรือวิ่งหนีสัตว์ป่ายต่อไปละพระเจ้าข่าข่าพระองค์ก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันต่อไปนี้ไอ้คาคงไม่ลําบากอีกแล้วเงินค่าจ้างเดินทางมาในครั้งนี้ก็มีมาก พอที่จะเป็นเศรษฐีย่อยๆได้ในหนองน้ำแหง่งโดยไม่ต้องขโมยเพชรออกมาจากขุมเพชรพระอุมาของพระองค์เลยสักกเม็ดเดียวพระเจ้ากรุงมรกรนครสูญออกมาได้เป็นครั้งแรกจับคางเหี่ยวๆของแกเขย่าเบาๆแล้วผ่านมาที่จันส่งจับไหลไว้อีกนะจันขอให้ไปดีมีความสุขไม่น้อยไปกว่าลุงคานะ ถ้าข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยากก็จะเสี่ยงตายบากหน้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่นี่พระเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเสมอเลยนะจันแต่ไม่มีใครในสี่คนนี่จะตกทุกข์ได้ยากอีกแล้วละ่ะแล้วก็มาประทับยืนอึ้งไปชั่วขณะตรงหน้าครูพรานนานอินผู้น้ำตาคลออยู่ แล้วจั ก, กรราชก็ทรงสวมกอดแกเต็มอ้อมพ่อลุงสัญญากับข้าก่อนนะพ่อลุงสัญญาว่าต่อแต่นี้ไปเมื่อไปถึงหนองน้ําแห้งแล้วพ่อลุงจะไม่บุก ป, ป่าฝ่าดงไปไหนอีกแต่จะอยู่กับผู้กองรบพินและหนายหญิงดารินที่หนองน้ําแห้งแห่ง น, นั้นให้เป็นที่แน่นอนเสียที พระองค์ให้สัญญาพระเจ้าข่ะขอให้พระองค์และพระราชินีจเจริญอยู่ในสิริราชสมบัติตลอดพระชนชีพอันยืนนานเอิอพระเจ้าข่ะนั้นอินพูดเสียงเครือน้ำตาครูพรานไหลยีเป็นทางแล้วสวมกอดอดีตแง่ทายแน่นเช่นกันจักรราชทรงตกที่หลังของแกเบา และราชินีเมยานีก็เดินเข้ามาจับแขนอีกข้างหนึ่งของแกไว้สั่งเสียล่ำลากันนานกว่าพรานทุกคนแล้วต่อจากนั้นเหล่าพรานและลูกหาบทั้งหมดก็พากันถอยไปตั้งแถวอยู่ด้านหลังของคณะเจ้านายทั้งหมดตามเดิมณบัดนี้แถวที่ยืนประจันหน้ากับจักรราศและเมยานีก็คือฝ่ายอเมริกัน และฝ่ายของเชษฐาทั้งหมดระหว่างพระเจ้ากรุงมรกรนครและราชินีเมยานีกับคนเหล่านั้นได้ได้ยืนจ้องกันในภาวะสะอึกอึ้งตะลึงตะลัยไปเป็นครูใหญ่เหมือนจะทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณนะและแล้วด็อเตอร์สแต น, แนลีก็เคลื่อนไหวก่อนทุกคนก้าวเข้าไปยืนอยู่เฉพาะพระพักทั้งคู่ ก้มศีรษะลงถวายคำนับข่าพระบาทในนามของอเมริกันทุกคนที่มาค้นหาซากเครื่องตกในครั้งนี้ขอทูลลาแล้วพระเจ้าค่ะขอให้สมเด็จพระเจ้าจักราธิราชและราชินีเมญานีจงทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะจักราชและเมยานีส่งพระหัตถ์ไปให้จับเขย่าโดยแรง สมเด็จพระเจ้ากรุงมรกฎนครรับสั่งน้ำพระสุรเสียงกังวานนุ่มว่าดรสเ ต, สตลีท่านเข้ามาลาค่าและพระราชินีเฉพาะเป็นการส่วนตัวของท่านเองเท่านั้นข้าต้องการคำกล่าวอำลาจากพวกท่านทุกคนแต่ละคนไปจะกล่าวในนามทั้งหมดไม่ได้ กระแสดำหรัตนั้นได้ยินไปทั่วทุกคนแตลียิ้มพลายก้มศรีรษะคำนับอีกครั้งแล้วถอยหลังออกมาเมื่อนั้นพันเอกคีตจึงก้าวเข้าไปแทนที่ทำความเคารพแบกทหารข้าพระองค์พันเอกลารี่คีตขอถวายบังคมลาเบื้องพระบาททั้งสองพระองค์ไปก่อนแล้ว พระมาหาการุณาธิคุณและความซาบซึ้งประทับใจของพวกเราที่พำนักอยู่ในมรกรนครจะไม่มีวันลืมเลือนเลยตลอดชีวิตนี้พระเจ้าค่ะขอสวัสดิภาพทั้งมวลจงเป็นของพันเอกคิดทั้งสองพระองค์รับสั่งพร้อมกันพร้อมทั้งประธานหัดให้คนต่อไปเป็นเชิดบุตร เขาเข้ามายืนวันธิยาหัดเช่นกันแต่ความตื้นตันทำให้พูดอะไรไม่ออกทั้งสองพระองค์ทรงทอดเนตและเลิกขนงน้อยๆเหมือนจะเตือนให้พูดคำใดออกมาในที่สุดเชิดบุตรก็ตะกุกตะกักออกมาว่า ท, ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกิดจากพระเมตตาของพระองค์ทั้งสอง จะจารึกไว้ในหัวใจของข้าพระองค์จนตายและถ้าไม่ติดภารกิจใดๆแล้วข้าพระองค์ประสงค์ที่จะขอพึ่งพระบรมมโพธิสมภารอยู่ที่นี่ตลอดไปพร้อมทั้งถวายตัวเป็นศิษย์ด้วยพระเจ้าค่ะมันยังไม่เป็นการเหมาะควรสำหรับน้องชายหรอกที่จะมาทิ้งชีวิตซะ ในโลกซีกส่วนอันลี้ลับที่สุดนี้จักรราชรับสั่งประธานพระหัตไปให้จับแน่นกระชับขอให้ไปดีมีสุขและเจริญด้วยลาบยศสระเสริญนะน้องชายและขอให้ได้ศีพัญญาที่ดีพร้อมในคุณสมบัติทุกประการภายหลังเมื่อจากที่นี่ไปแล้วด้วยเมยานีรับสั่งมาพร้อมกับยิ้มพาย ตบที่ไหลของนายทหารหนุ่มด้วยความเอ็นดูพันตรีแห่งกองทัพ บ, บกไทยชิดเท้าตรงวันทิยาหัสอีกครั้งแล้วก้าวถอยเข้าไปประจำแถวที่ยืนอยู่ตามเดิมระหว่างคริสติน่าและเบลต่างยืนนิ่งเหมือนจะเกีียงให้คนใดคนหนึ่งออกไปก่อนเพราะตามปกติแล้วคริสติน่ามักจะเป็นคนสุดท้ายเสมอ แต่เมื่อเห็นว่าเบนยืนรีรอเหมือนจะขอเป็นคนสุดท้ายของคณะหล่อนก็ก้าวออกไปย่อกายลงถวายเคารพหม่อมชั้นคริสติน่าขอทูลลาพระอาจารย์และพระราชินีผู้มีพระมหาการุณาธิคุณล้นเกล้าเพคะและจะขอปฏิญาณว่าเมื่อกลับออกไปสู่โลกภายนอกแล้วหม่อมชั้นจะประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมบทวินัยทุกประการ ขอทุลาแล้วและคงไม่อาจจะหวนกลับมาอีกในชีวิตนี้เพคะเธอกลับมาอีกได้คริสถ้าตบาบะชานของเธอที่รับปากว่าจะเพียรปฏิบัติให้บรรลุขึ้นในชั้นที่สองถ้าต่อไปนี้โลกภายนอกจะมีแสงสว่างแห่งธรรมะเพิ่มขึ้นอีกดวงหนึ่งความเรืองรองจงเป็นของเธอตลอดไปในโลกใหม่ ที่เธอบายหน้าไปสู่ไปเธอคริสครูขอให้พรจักรราชรับสั่งแช่มช้ายกพระหัตถ์ขึ้นในพระอาการประทานพรคริสตินาถวายความเคารพ อ, อีกครั้งอย่างอ่อนน้อมที่สุดแล้วเอื้อมมือไปคว้าพระหัตถ์ของเมยานีขึ้นมาจุ่แผ่วเบาก่อนจะถอยเข้าไปในแถว อิสเบลถอนใจยาวอย่างพอใจที่เป็นคนสุดท้ายในคณะของหล่อนได้เป็นครั้งแรกก้าวเข้ามาอย่างเข้มแข็งด้วยวินัยของทหารและวันทียาหัดเหมือนผู้ชายหม่อมชั้นอิสเบลกราบทูลาก่อนสำหรับจอมกษัตริย์ผู้งามไปด้วยพระสิริลักษณะและน้ำพระทยัยกับมหาราชินีผู้ทรงโฉมแห่งมรกรนะคร หม่อมฉันไม่อาจจะกราบทูลอะไรได้มากกว่านี้นอกจากจะกราบทูลเพียงว่าหม่อมฉันมีความอาลัยและจะระลึกถึงใต้ฝ่าพระบาททั้งสองตลอดไปไปคะจักรราและเมยานีน้อมเสียลงนิดนึงรับคํากราบทูล น, นั้นด้วยรอยแย้มส่วนจงอย่าลืมในสิ่งที่ข้าได้ขอร้องไว้นะนั่นก็คือ อย่าใช้สเสน่ห์ในเรือนร่างแต่จงใช้ความรู้ในวิชาแพทย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์และเราทั้งสองขอขอบใจในวาจาที่กล่าวออกมาเมื่อสักครู่ลาก่อนโชคดีอิสเบร์ไหนๆหมอมฉั้นก็กำลังจะจากไปแล้ว ขอประทานพระบรมราชานุญาติสักอย่างหนึ่งได้ไหมเพคะธอต้องการอะไรล่ะอิสเบีย์จักรราตรับสั่งถามขึ้นพร้อมกับเลิกพระขนงขึ้นน้อยๆอย่างแปลกพระไทยหม่อมฉันขอประทานพระบรมราชานุญาติจุงพิษพระองค์สักครั้งเป็นการถวายบังคมลาได้ไหมเพคะ แม่ผมแดงกราบทูลขึ้นอย่างกล้าหาญฉัดฉานได้ยินไปทั่วหมดทุกคนในที่นั้นทุกคนตะลึงพึงเพลิดไปหมดคิดไม่ถึงว่าอิสเบนจะกล้าหาญชานชัยถึงเพียงนี้ราชินีเมญานีนั้นครั้งแรกก็ชะ ง, งักพระพักแดงแต่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสวนน้อยเอียงพระสอแลไปทางพระสวามี ว่าทรงมีปฏิกิริยาหรือรัดรตอบเช่นไรจักรราชทรงพระสวนออกมาเบาๆแววเนตที่แลไปทางเบนนั้นเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาเอ็นดูและไม่ทรงถือสาได้มีกระแสรับสั่งแช่มช้าชัดเจนเช่นเดียวกันตอบมาว่าอิสเบรแม่สาวน้อยผู้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เป็นนิด ข้าไม่ได้รังเกียจใดๆแม้แต่น้อยที่เธอจะขอจูบอำลาข้าแต่เธอได้มีการตกลงไว้กับพระราชินีที่นี่แล้วไม่ใช่หรือว่าเมื่อยังอยู่ในมรกรนครก็จะประพฤติเยี่ยงชาวมรกรกนครกษัตริย์ผู้ครองนครแผ่นดินนี้จะจุมพิษใครหรือยอมให้ใครจุมพิษมิได้นอกจากพระราชนี และพระญาติอันสนิทเท่านั้นข้าสีใจนะที่เธอจะต้องผิดหวังโดยที่ข้ า, ขาก็ไม่ได้มีเจตานาเลยแต่มันเป็นจารีตประเพณีคำตอบโดยสุภาพและฉลาดล้ำของจักรราชเช่นนั้นแทบจะทำให้ดารินตบมือออกมาดังดังอย่างยินดีทว่าก็ระ ง, งับไว้เสียได้ถึงกระนั้นก็ยังยิ้มพราย มองไปทางอดีตองค์ครกษ์ประจำตัวด้วยความสุดที่จะชื่นชมและฝ่ายเชษฐาทุกคนก็ลลบถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกโอหม่อมฉันเข้าใจในรับสั่งเพคะและนี่หม่อมฉันจะต้องกราบขอประธานอภัยโทษด้วยหรือไม่เบงกล่าวออกมาด้วยสีหน้าและอาการเดิมดูประหนึ่งว่าที่หล่อนกล่าวออกไปในครั้งแรกนั้น ก็เพื่อจะสังเกตดูพระอากับกิริยาท่าทีของจักรราชและเมยานีเท่านั้นหาได้มีประสงค์อื่นใดไม่และบัดนี้ตัวหล่อนเองก็อมยิ้มอยู่ไม่รอกไม่จำเป็นที่เธอจะต้องขอโทษอะไรค่ะเพราะเธอไม่ได้กระทาสิ่งใดผิด <S <S เพียงแต่อาจจะเข้าใจผิดไปบ้างก็เท่านั้นแ ล, และเพื่อไม่ให้เสียความตั้งใจ เธอจะจุมพิษอำลาได้เพียงมือของข้าเท่านั้นรับสั่งอ่อนโยนน่ารักดังนั้นแล้วจักรราศก็ยื่นส่งประหัตไปให้พรางพยักพระพักเนืบลงเป็นเชิงอนุญาตเบนประคองจับประหัตข้างนั้นขึ้นมาจุมพิษแผ่วเบาแล้วค่อยๆปล่อยออกพร้อมทั้งทำความเคารพอีกครั้ง พางหันมาทางพระราชินีเมยานีใต้ฝ่าพระบาทแล้วเพคะจะทรงประทานอนุญาตให้แกหม่อมชั้นบ้างได้ไหมเพคะแทนคำตอบใดๆและด้วยมารยาทอันดีงามละมุนละม่อมที่สุดเมยานีอกกอดเบลเอาไว้เอียงพระปรางทั้งซ้ายและขวาให้เบลจุมพิษในขนาดที่ตบหลังหล่อนเบาๆรับสั่งว่า ยงไปดีและมีความสุขนะเบลคิดถึงพวกเราทางมรกรนคร น, นี่บ้างอิซาเบลนาแดงกำําด้วยความปิติใจเพราะคิดไม่ถึงมาก่อนว่าราชินีเมญานีจะมีน้ำใจสูงส่งถึงเพียงนี้ความจริงหล่อนอยากจะเห็นพระอาการเกรียวกราดหรือแสดงพระอาการไม่พอพระไทยเสียมากกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง กลับกลายเป็นตรงข้ามไปหมดภายหลังจุมพิษแกเมญานีแล้วแม่ผมแดงก็ถอยหลังไปหนึ่งเก้าชิกท้าวันทยาหัดให้แล้วกลับหลังหันแบบทหารเดินเข้าไปยืนสงบในแถวตามเดิม